ทวสวัสดีค่ะท่านฝั่งที่เคารพค่ะเรามาถึงช่วงเวลาที่ท่านจะได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังธรรมกับรายการสัมน ส, นสีสนทนาและดิจันสัมนสนีนาคพงศ์กันอีกแล้วนะคะมีพระเพรบุญอภิปุญโนจากวัดป่าดอนหายโศกค่ะที่จะนําท่านท่างหลายสู่การปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างกุศลอย่างยิ่งแล้วเป็นกุศลที่เห็นผลทันทีกันตั้งแต่ตอนเช้ากับเป็นการที่จะพัฒนาความชํานาญ ในการที่จะทำสมาธิด้วยและแถมยังเป็นฐานแห่งการที่จะทำให้ท่านังหลายนั้นได้สามารถฟังธรรมซึ่งจะมีการสนทนากันต่อไปอย่างมีสมาธิฟังก็ย่อมที่จะเข้าใจได้กระจ่างมากกว่านะคะตอนนี้เราก็ไปพบกับพระอาจารย์ไพบย์อภิปุโนกันได้เลยค่ะกราบน้สัส ก, การค่ะเชิญบาลในการปฏิบัติวันนี้เรามาสังเกตลมหายใจกันเหมือนเดิม เรื่องของลมหายใจเป็นเรื่องที่เราหายใจอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนนอนเราก็ยังหายใจนะเราใช้ลมหายใจของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์ณวินาทีนีนะ้โดยการตั้งจิตตั้งสติของเราเอาไว้หนะลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ไม่มีปัญหานะแล้วก็ระลึกถึงลมหายใจของเรานะหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดารนะลึกรู้ถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกนะโดยไม่ต้องตามลม ให้เราตั้งสติไว้นะที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เราจะระลึกถึงลมหายใจของเราได้ทำอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องเกรงไลไม่ต้องเกรงคอปล่อยไหลปล่อยคอปล่อยหลังปล่อยคิ้วให้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใจของเราเริ่มที่จะมีสติตั้งมั่นอาจจะมีความคิดนึกต่างๆนานาบานเข้ามาบ้างไม่เป็นไรให้ความคิดนึกนั้นมันไปตามทางของมันหายใจของเรา มานึกถึงลมหายใจของเราอยู่อย่างเป็นธรรมชาติอย่างนี้แล้วถ้าเราจะคิดนึกให้มาใกล้ครวนถึงเนื้อธรรมะดีกว่าใหนใกล้ครวนถึงความไม่เที่ยงซึ่งในที่นี้พระเจ้าได้เคยตรัสกับปริพาชกที่ชื่อมักันตยะเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าเปรียบเหมือนบุรุษที่ตามืดบอดมาแต่กาเนิดเขาจะมองเห็นรูปทั้งหลายที่มีสีดา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 ปราศจากมนทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้เขาก็เที่ยวสแสวงหาผ้าขาวนั้นมีุรุษผู้หนึ่งบรลวงเขาด้วยผ้าเนื้อเลวเปื่นขม่าว่าท่านผู้เจริญนี่แหละเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมนทินเป็นผ้าสะอาดดังนี้เขาก็รับผ้านั้นและห่มผ้านั้น ต่อมามิตรอมารยา่าตีสายโลหิตก็พาแพทย์ผ่าตัดผู้ชนานงานมารักษาแผนจึงประกอบยาถ่ายโทษในเบื้องบนยาถ่ายโทษในเบื้องต่ำยาหยอดยาหยอดให้กัดและหย่านัดเพราะอาศัยยานั่นเองเขากลับมีจักสุที่ดีและความรักใกล้พอใจในผ้าเนื้อเลว เปื่นขม่าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งจากสูตรที่ดีเขาจะพึงเป็นอามิตรคือเป็นค่าศึกหมายมั่นต่อบุรุษที่ลวงเ่านั้นหรือถึงกับเข้าใจเลยไปว่าควรจะปรงชีวิตมันเสียด้วยความแค้นว่าท่านผู้เจรเนยเราถูกบุรุษผู้นี้โกงล่อลวงปลามเทียมปลิ้นปลอกเอาด้วยผ้าเนื้อเลวเปลื่นขม่า ว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีมนนมนานนักแล้วมากันดียะอุปมานี้ฉันใดอุปไัยก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเราแสดงธรรมแก่ท่านว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นความไม่มีโรคเช่นนี้เช่นนี้เป็นนิพพานท่านจะพึงรู้จักความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้ก็แต่เมื่อท่านละความเลิดเพลินและความกำหนัด ในอุปทานกันตั้งหพร้อมกับการเกิดขึ้นแก่แห่งธรรมจักสุก ข, ของท่านและความรู้จะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านอย่างนี้ว่านานจริงหนอที่เราถูกจิตนี้คดโกงล่อลวงปลามเทียมปลิ้นปลอกจึงเราเมื่อจะยึดถือก็ยึดถือเอาแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณนั่นเอง เพราะความยึดถือเป็นต้นเหตุพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นต้นเหตุการเกิดจึงมีแก่เราเพราะการเกิดเป็นต้นเหตุความแก่ความตายความโศกความร่ำไ ร, รําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขัดแย้ใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นพร้อมหน้าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แหละสาธุค่ะ หมายความว่าอะไราคะทั้งหมดที่ท่านได้สาธยายพระสูตรให้พวกเราได้ปฏิบัติธรรมไปเรื่องนี้คุณโยมถือเป็นเรื่องที่พระพุทธเาตรัสกับปริภาชก ค, คนหนึ่งนะคือนักบวชที่อยู่ในสมัยนั้นนะนะชื่อว่ามาคันทยะนะเขาก็มีคือเขาพยายามที่จะมาก็เรียกว่าอะไรมาถามคําถามให้พระพุทธเจ้าจนนะให้ตอบไม่ได้ให้คือมาโต้คารมกันโต้วาทะกันเขาก็ ไม่เข้าใจคือพยายามที่จะต่อกอนกนกับพรชาในวาทัต่างๆแตนะ่พรชาก็แสดงธรรมแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจแตนะ่พรชาก็เลยยกตัวอย่างนี้ให้ฟังนะเปรียบเหมือนกับคนที่ตาบอดนะั่นแหละแล้วก็ได้ยินมาว่าอันนี้ดีอันนี้ดีแลนะก็จำจำมาก็เลยเหมือนก็ถูกเขาหลอกมาถูกหลอกมาว่าสิ่งที่มันไม่ดีนะั่นแหะถูกหลอกว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วตัวเองก็ยึดถือเอาไว้ไม่ปนละ่อยไม่หวางพรชาก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังในลักษณะนี้ว่า เราเนี่ยถูกจิตหลอกเนี่ยจิตเนี่ยหลอกเราให้ไปยึดถือในรูปเวทนาสัญการสัญญาสังการวิญญาณเหล่านี้ว่าเป็นตัวเราของเรานี่คือประเด็นว่าเราถูกหลอกอยูอ่สิ่งที่มาหลอกทําให้จิตของเรามันได้รับการเห็นที่ไม่เต็มจริงเนี่ยก็คือถูกหลอกอยู่ด้วยอวิชชาและตัณหาด้วยนี่ถูกไหมคะแล้วท่านฟังที่ฟังอยู่ทั่วไปเนี่ยอยู่ในฐานะแบบมาคันธิยะหรือว่า ไม่ใช่อันนี้เป็นการยกตัวอย่างของมาคันธิยะเพื่อมาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะท่านคะคนที่ยังมีอวิชชาและตัณหาอยู่ก็จะอยู่ในฐานะอย่างมาคันธิยะนนในตอนนั้นที่ที่ยังไม่บรรลุธรรมนะคือท้ายที่สุดของประศุนเนี่ยท่านมาคันธิยะก็ขอบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ว่าตอนนั้นยังไม่บรรลุก็คือเหมือนเร า, เราทๆท่านๆที่ยังไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นก็ยังมีอวิชชาและก็ตัณหาอยู่ก็จะถูกหลอกอยู่นั่นเองค่ะอวิชชาบางคนก็บอกว่า จะมากล่าวหาว่าเราเป็นผู้มีอวิชชาได้อย่างไรเรียนก็ต้องเยอะนะเรียนสูงสูงวิชาเนี่เต็มหัวไปหมดเลยค่ะสอบอะไรก็ผ่านแถมได้คะแนนดีต่างหากใช่ความรู้ความเรียนที่จะเป็นไปเพื่อที่จะให้เกิดความรู้จริงเห็นจริงเนี่ยคือความรู้ในอริยสัจสีนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าวิชาในะวิชาในที่นี้คือหมายถึงความรู้ในอริยสัจสนะีอวิชชาคือความที่เรายังไม่รู้ในอริยสัจสี ก็จ ะ, จะรู้ทั่วไปหมดนะหลายสาขาวิชาแต่าหลายสาขาวิชานั้นไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะทำให้เรารู้อริยสัจ ส, สีได้ก็ยังถือว่ายังไม่เกิดวิชาขึ้นยังมีอวิชาอยู่ค่ะเดีฉันได้ยินที่ท่านกล่าวถึงส่วนหนึ่งตอนคำอธิบายนะคะว่าเพราะว่าเรายังยึดติดในอุปทานขันห้าอุปทานว่ายึดใช่ไหมคะใช่ยึดอยู่ในขันห้าอย่างไรเหรคะท่านคะอย่างเช่นว่า ความคิดใดความคิดหนึ่งนะ จ, จะเป็นอุดมการณใดอุดมการหนึ่งซึ่งอุดมการนี้คือสัญญานะสังการผสมกันอสัญญาสังการเช่นว่าเราก็มีไอเดียนี้มีความคิดนี้มีวิธีการทํางานอย่างนี้นี่เป็นตัวฉันนี่คือลักษณะของสัญญาสังการอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วเราก็ยึดว่าฉันเป็นอย่างเงี้ยก็ฉันเป็นคนอย่างเงี้ยไอคอนที่คิดว่าฉันเป็นคนอย่างเงี้ยคือคุณยึดว่าไอความคิดเนี่ยเป็นตัวคุณค่ะอ่านี่แหละนี่แหละคือมันเข้าไปยึดแล้วค่ะเพราะ ถ้าพูดแบบนี้แล้วเรานึกต่อแบบเราๆนะคะส่วนใหญ่แล้วดิฉันเชื่อว่าเรามักจะคิดว่าไอาความเป็นเราเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้แล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกมันแบบเราเท่านั้นเลยที่ถูกอืมเป็นเป็นเอ่อนั่นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไงค่ะอืมเพราะนั้นที่ท่านพูดเนี่ยหมายรวมไม่ได้ลง จำแนกในรายละเอียดว่าหนึ่งสองสามสี่ของขันเป็นอย่างไรแต่ท่านกําลังจะบอกว่าถ้ายึดอะไรก็แล้วแต่ที่ยึดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาลใช่ใชมันจะเป็นปัญหาอีกตัวยอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นได้เช่นคุณอาจจะมีความคิดว่าคนภาคเหนือต้องเป็นอย่างนี้มีบุคลิกอย่างนี้คนภาคใต้ก็จะเป็นบุคลิกอย่างนี้คนดีสารก็จะเป็นอย่างนี้ในความที่คุณเข้าไปยึดตรง น, นั้นเนี่ยจะไม่คุณตัดสินใจผิด แต่เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้คนใต้อาจจะมีลักษณะเหมือนคนอีสานคนเหนื อ, อ จ, จะมีลักษณะเหมือนคนอีสานหรือคนใต้มันก็สลับไปสลับมาได้นะซึ่งถ้าเราเราไปยึดใช่ไหมเราจะตัดสินใจผิดคิดผิดพูดผิ ด, ด, ด, ดได้แต่ถ้าเรามีความยืดหยุน่นไม่ยึดเราก็ไปตามเนื้อผ้านะไปตามเนื้อผ้านะ่ะก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไปยึดว่าฉันต้องเป็นคนอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นมาอย่างที่คุณชอบคุณจะทุกข์ทันที ซึ่งรายละเอียดที่ผู้เช้าแยกแยะก็จึงพูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างตัวที่อาจมายกตัวอย่า ง, งเช่นว่าความคิดอุดมการณ์ใดๆนั่นก็คือจะรวมลงที่สัญญากับสังขารได้ไอเจ้าความที่ว่าคุณเป็นคนภาคเหนือภาคใต้มันก็จะอยู่ในสัญญาสังขารแต่นี่ผู้เช่าแยกแยะเนี่ยรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นรูปก็คือกายของเราเป็นต้นเวทนาคือความรู้สึกแล้วเราจะแค่ความรู้สึกคนนั้นแค่ความรู้สึกคนนี้นี่ก็จะเป็นเวทนาส่วนนี้ไป เป็น5้าอย่างตัวนี้เฉยนค่ะคือหมายความว่าเราเองในสิ่งที่กำลังมาฟังการสนทนาอยู่ในขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแบบทั่วๆไปแต่ว่าเป็นเรื่องคำสอนของพระศาสดาในลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องจิตของทุกคนที่ทำให้ชีวิตนี้มีความทุกข์เป็นปัญหาแต่ก็ไม่ได้หนีไปจาก สิ่งที่เป็นชีวิตประจําวันของเราใช่ไหมคกต้องเพียงแต่เป็นวิธีอธิบายแบบพระพุทธเจ้าให้เห็นลึกเข้าไปในจิตใช่ถ้าเราจะแยกแยะนิดนึงก็เช่นว่าของทุกอย่างในโลกเนี่ยถ้าเราสิ่งที่มันคล้ายๆกันเหมือนๆกันเนี่ยมารวมๆกันเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองขึ้นมาอกลุ่มก้อนกองเนี่ยเขาเรียกว่าขันนั่งไงขันค่ะ ข, นะขันท่าคุณคะพูดถึงเรื่องยึดเนี่ยดิฉันมีเรื่องเบาๆเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องโลกไม่เข้าใจว่า จะไปสามารถเป็นส่วนหนึ่งของคําอธิบายของท่านได้หรือไม่แต่อยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดเพราะที่ท่านเชื่อว่าคนบนโลกใบ น, นี้ยแม้แต่กระทั่งตัวเองนะคะพออ่านเรื่องนี้ปุ๊บขำมาก ค, คิดว่าตัวเราเองก็เป็นแบบนี้ไม่ทราบเพื่อนเคยได้ยินไหมคะ เ, เ, เป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคนกับคุกกี้นะคะก็บอกว่าที่สนามบินนานาชาติเนี่ยมีนักเรกิจหญิงแต่งตัวดีต้องรอเปลี่ยนเครื่องบินก็เลยไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งคุกกี้หอ่อหนึ่งหาที่นั่งฆ่าเวลาอแต่พอไปนั่งเนี่ยก็พบว่ามีผู้ชาย นั่งข้างๆแบบท่าทีสบายมากเลยโดยไม่สนใจว่ามีใครนั่งอยู่ข้างหรือเปล่าทีนี้ในขณะที่กำลังอ่านหนังสือผู้ชายคนนี้ก็หยิบขนมคุกกี้ออกจากถุงที่วางอยู่ระหว่างเธอกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็กินมันทีละชิ้นเธอก็มองเข้าด้วยความโกรธนะคะแต่เขาไม่สนใจเธอเลยในขณะที่ผู้ชายกินทีละชิ้นเนี่ยเธอก็คิดต่อนะคะว่าถ้าฉันไม่ใช่คนมีการศึกษาเป็นผู้ดีเนี่ยจะชกหน้าเจมอ น, นี ให้แหลกไปเลยแล้วเธอก็ล้วงหยิบกินคุกกี้นั้นชิ้นหนึ่งเธอกินชิ้นหนึ่งผู้ชายก็กินในถุงเดียวกันเลยนะคะอชิ้นหนึ่งจนคุกกี้เหลือชิ้นสุดท้ายเธอก็หยุดแล้วก็อยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้ยจะจะทํำยังไงผู้ชายคนเนี้หยิบคุกกี้ชิ้นสุดท้ายมาบีแบ่งครึ่งส่งให้เธอครึ่งหนึ่ง เ, เธอก็รับมาอย่างรวดเร็วแล้วก็นึกในใจว่าเขาต่อนหมคะว่าไร้มารยาทไร้การศึกษาออืไม่มีแม้แต่จะขอบคุณนะคะสุดท้ายเธอก็เลยหยิบข้าวของ ทั้งหมดแล้วก็เดินมุ่งตรงไปทางประตูขึ้นเครื่องไม่กลับเหลียวมามองผู้ชายคนนี้ที่ยังนั่งอยู่ที่เดิมด้วยแล้วพอขึ้นไปบนเครื่องนั่งเรียบร้อยเธอก็หยิบหนังสือที่อ่านค้างอยู่ขึ้นมาอ่านอีกครั้งในขณะที่ล้วงมือไหยิบหนังสือจากกระเป๋าเนี่ยมือไปพบว่าขนมคุกกี้ของตัวเธอเองมันอยู่ในกระเป๋า <S 2> <S 2> <S ไอที่ทานเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นคุกกี้ของชายหนุ <S <S <S ่มเธอก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยตายตกใจอยากจะวิ่งไป อย่างที่นั่งของชายหนุ่มนะคะแต่ไปก็พบว่าผู้ชายเนี่ยหายไปซะแล้วระหว่างเดินกลับเข้าเครื่องเธอเจ็บปวดหัวใจเธอนั่นเองที่ได้มาละยาดเป็นหัวขโมยที่ไร้การศึกษาตัวจริงเรื่องนี้เขาก็สรุปสุดท้ายนะคะว่ามีกี่ครั้งในชีวิตของเราที่ค้นพบในภายหลังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นการเข้าใจผิดอื ม, มีกี่ครั้งที่เราขาดความไว้วางใจผู้อื่นแล้วเราก็ตัดสินผู้อื่นจากความคิดเย่อหญิงของเราเองซึ่งห่างไกลาจากความเป็นจริงมากมายเนี่แหละ ที่ทำให้เราต้องคิดซ้ําแล้วซ้ําอีกก่อนตัดสินผู้อื่นหลายๆสิ่งไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นควรมองผู้อื่นในแง่ดีแล้วคอยสงสัยตัวเองว่าเรามองโลกในแง่ดีพอแล้วหรือยังเคยแบ่งปันอะไรให้แก่คนอื่นบ้างหรือไม่อเน น, นี่เป็นเรื่องที่ดีให้เห็นชัดเจนเลยละ่ะค่ะที่ฉังว่าบางส่วนมันคล้ายๆกับเรื่องเนี้นะคะคือเรายึดพอเป็นตนตัวของเราแล้วเราคิดว่าเราถูกก็เลยมองคนอื่นว่าผิดอยู่สมัอ การแบ่งแยกการแบ่งก like yani, uh ็เร okay. uh ียกว่าหมวดหมวดตรงเนี้ที่พุทธาอธิบายเช่นว่าเราของที่เหมือนๆกันมารวมๆกันกองๆไว้ก็เรียกว่าขันทะหรือขันเนี่ยเรื่องของความคิดนึกต่างๆเนี่ยก็รวมๆกันไว้อันนี้ก็เรียกว่าสัญญาขันนี่คือความหมายรู้อย่างเช่นหมายรู้ว่าอันนี้คุกกี้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งกายของเราธาตุสีดินน้ําไฟลมสิ่งที่แตกสลายได้ของแข็งของเหลวแก๊สมารวมๆกันอันนี้ก็รูปอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอย่างนี้ไป็นต้นค่ะ ถ้าเราไปยึดติดในสิ่งเหล่านี้แล้ว<ร>มีปัญหาแน่นอนพลาดแน่นอนพลาดแน่นอนค่ะในเรื่องที่ท่านพิบูลนํามาฝากพวกเราในวันนี้ที่ได้พระพุทธองตรัสสอนมาคันธิยะก็เลยสอนให้ให้ละถูกเหรคะถูกตอ้องสอนให้ให้เห็นจริงน ะ, ะเห็นจริงแล้วจะละได้อันนี้คือประเด็นเห็นจริงแล้วจะละได้นะคะและเห็นจริงไม่ใช่ต้องไปหา ให้เห็นไกลนะอาจจะบอกว่าเอ๊ะมองไม่เห็นอะไรมันอยู่กับตัวเราแทๆ้ๆใชเ่เวลาที่หมอเขาจะมารักษาเนี่ยเขาเอายามาจากข้างนอกก็จริงแต่เขาเอายามาใส่นี่ตาเรานะต้องตาเราเท่านะั้นนะตาคนเด็นไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยคุณฟังจากตรงนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ไปหาภายนอกมันต้องมาใส่ในใจเราถึงจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ค่ะที่ฉันชอบบทพยัญชนะที่ท่านส่งมานะคะที่ พระุทธองค์ได้ตรัสสรุปว่าเรื่องอุปมาเนื้อขาวเอผ้าขาวเนี่ยนะคะท่านบอกว่าอุปมาณนี้ฉันใดอุปไหมก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเราแสดงธรรมแก่ท่านว่าเช่นนี้เป็นความไม่มีโรคเช่นนี้เป็นนิพพานดังนี้ท่านจะพึงรู้จักความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้ก็ต่อเมื่อท่านละความเพลิดเพลินและความกำหนัดในอุปทานขันห้าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมจักรสุขของท่านและความรู้สึก จะพึงเกิดขึ้นกับท่านว่าท่านผู้เจริญเอยนานจริงหนอที่เราถูกจิตนี้คดโกงล่อลวงปลิ้นปล อ, อกจึงเมื่อเราเมื่อจะยึดถือก็ยึดถือเอาแล้วซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองเพราะความยึดถือเป็นเหตุภพจึงมีแก่เราดีมากนนหนอยนะคะเพราะภพเป็นเหตุชาติจึงมีแก่เรา เพราะชาติเป็นต้นเหตุชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมณัสอุปายาสตจึงเกิดขึ้นพร้อมหน้าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แหละท่านคะเหมือนกับท่านอธิบายไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างไรแต่ทีนี้ให้ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าวิธีที่จะทาให้เราเนี่ยไม่ถูกจิตคดโกงล่อลวงปล้นปลอกไปยึดถือ ในสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเนี่ยนะคะอ ม, มีวิธีง่ายๆสําสหรับพวกเราอย่างไรไหมคะเราต้องสิ่งที่สิ่งที่พุทธเจ้าเปรียบเทียบเพื่อที่จะอธิบายอาการที่หมอรักษาในอีกประสูตรหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับคุณเราเป็นแผลแล้วเป็นโรคอะไรสักอย่างหมอก็ต้องเอายามาใส่โรคที่มันมีอยู่เนี่ยคือตัณหาในกิเลสตัณหาพิษของโรคนั้นเนี่ยคืออวิชชาแล้วคุณจะเอากิเลสตัณหาอวิชชาออกได้แต่คุณต้องใส่ยา ยาในที่นี้คุณจะใส่คุณจะใส่ตรงไหนละ่ะมันก็ต้องมีจุดใส่ที่ใส่เราจะตรวจรู้ได้ว่าตรงไหนเป็นแผลตรงไหนที่ต้องใส่ยาเนี่ยสติเนี่ยจะเป็นเครื่องตรวจหาเครื่องตรวจหาคือสติหนึ่เพราะนั้นหเราต้องมีสติสองยาที่คุณจะเปิดเปิดแผลที่จะเปิดแผลใส่เข้าไปเนี่ยคุณต้องมีมีดมีดคมๆที่จะเปิดปากแผลแล้วก็ใส่า ย, ยาเข้าไปซึ่งมีดตรงนี้ก็คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีคือสติและปัญญา ปัญญานี่ต้องคมคมด้วยนะถ้าปัญญาทื่อๆเลื่อยเข้าไปมันยิ่งจะเจ็บก็ต้องปัญญาคมคมหน่อยแตสติปัญญาในที่นี้คืออะไรสติคือการที่เรารลึกได้ตั้งแต่ตอนต้นรายการที่เรามีสติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็สตินั่นแหละอันะนี้ก็ที่หน่ง <S <S ปัญญาในที่นี้นก็หมายถึงการที่เราเห็นความที่ไม่ใช่ตัวต น, นเป็นความไม่เที่ยงเป็นความไม่ใช่ตนถ้าเราเห็นว่าตัวตนอยู่ตรงไหนนั่นแหละคุณเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนได้ตรงนั้นเราจะเกิดปัญญาขึ้นได้ทันที มันต้องมีสติด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเห็นว่าตัวตนอยู่ตรงไหนตรงนั้ น, ฉนเฉลยให้เลยว่าอันนี้ไม่ต้องไปคิดเลยใช่ไหมคะคือบอกบอกว่าตรงนั้นเนี่ยคือความไม่มีตัวตนแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะบอกว่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นมีหน้าที่ต้องไปหาให้เจอใช่ค่ะถ้า ถ, ถ, ถ, ถ้าคุณไม่รู้แสดงว่าคุ ณ, ค, ณคุณเพลินละคุณเพลินแล้วทำยังไงก็ต้องตั้งสติเอาไว้แต่ตั้งสติไว้มันอาจจะยังไม่เห็นนะ คื่อจจะยังไม่สามารถเห็นได้ว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าตรงนี้เป็นตัวตนแต่คุณยังไม่เห็นหรอว่ามันไม่ใช่ตัวตนยังไงแต่ถ้าคุณมีสติคุณจะรู้ว่านี่คือตัวตนของฉันอันนั้นมันยังดีกว่านะดีกว่าแล้วก็ค่อยๆพัฒนาในการที่เราจะเห็นตรงที่ตัวตนนั้นอะว่าไม่ใช่ตัวตนค่ะแต่เนี่ยค่ะที่ดิฉันกราบเรียนถามท่านก็เพื่อจะถามท่านว่าแล้วทํายังไงถึงจะค่อยๆรู้ ว่าไม่ใช่ตัวตนอ๋อขั้นตอนเป็นอย่างนี้คุณโยมติวค่ะพระยาตรัสถึงขั้นตอนที่ว่าจะทํายังไงให้เห็นถึงความไม่ใช่ตัวตนก็ต้องเห็นถึงความที่มันไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขคุณโยมติยวตอบเป็นทุกข์ค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาค่ะสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราควรหรือไม่ควร ไม่ควรค่ะถูกต้องนี่แหละคือคําตอบคุณโยวติวเราต้องไล่ไปตั้งแต่แรกเห็นไม่เที่ยงในกายเราไหมคุณเห็นตัวตนคุณใช่ไหมคุณเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าคุณเห็นความไม่เที่ยงนั้นแหละมันเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเราต้องเห็นอย่างนี้ซ้ําไปซ้ำมาซ้ำไบซ้ามาเห ม, มือน ร, รับมีดซ้าไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมามีเราจะกคมคมเรามันจ ะ, ะปาดมันออกได้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าจะให้แบบคน ร่ยปัญญาอย่างนี้ฉันเข้าใจอีกนิดหนึ่งดิฉันจะพยายามถามท่านนะคะว่าใช่หรือไม่ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงอ่ะสมมุติว่าอ่าเกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยเรารู้ล่ะวันนี้มันอย่างหนึ่งพรุ่งนี้อีกอย่างหนึ่งไอ้ที่แย่แม้กระทั่งความคิดที่เราคิดปักใจไปแล้วว่าอย่างนี้แหละแน่แต่พอผ่านเวลาไปก็ชักไม่แน่ซะแล้วไอ้อย่างอื่นแน่กว่าอืมนะคะแล้วก็มันก็เลยเป็นทุกข์ใช่ไหมคะใช่ที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นอนัตตาแต่ คำว่าอนัตตาในที่นี่หมายความว่าถ้าเป็นตัวตนที่แท้จริงและเรากำกับได้มัน ม, มันจิงจะเป็นความเที่ยงแต่นี่เรากำกับไม่ได้เราบังคับไม่ได้จึงเรียกก็เป็นอนัตตาอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูก ต, ต้องถูก ต, ต้องใช่นะคะ <c oughs> ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามคิดถึงบ่อยๆแต่ดิฉันก็ยืนยันนะคะว่ามนุษย์เนี่ยเนื่องจากมันมีเหตุปัจจัยรอบตัวเราเยอะบางที เราคิดคิดอยู่เรื่องเนี้ยตั้งใจจะคิดเรื่องเกี่ยวกับตัวเองจะให้เห็นมันไม่เป็นตัวตนให้ได้นนะคะแต่มันก็มีเวลานะคะที่จะลงไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องอื่นอีกละก็ก็เลยต้องการจะสรุปตรงนี้ว่าอย่างตัวอย่างที่คุณโยมติวยกมาตั้งแต่ตอนช่วงกลางรายการผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเห็นชัดเจนว่ามันไม่เที่ยงเต็มเต็มเลยทําให้เขาเนี่ยเห็นความเป็นอนัตตาของมันเต็มเ็มให้เขาวางได้ทีนี้อย่างร่างกายของเราเนี่ยเรายังไม่เห็นความไม่เที่ยงมันอย่างชัดเจน เพราะไอ้อย่างเวลาแก่แเวลาเจ็บมันก็ค่อยๆเป็นไปค่อยๆไปนล้วเราจึงต้องเห็นซ้ําๆยำๆเพื่อให้ความชัดเจนี้มันปรากฏขึ้นแบบตัวอย่างที่คุณโยมติ๋วยกนั่นเองนะคะค่ะั้นวันนี้ก็เป็นการบ้านที่จะให้ไปทำในช่วงสาร์อาทิตย์เลยนะคะไปมองตัวตนเห็นไม่เป็นตัวตนให้ได้ไปพยายามที่จ ะ, ะไม่ยึดในอุปทานขันห้าให้ได้เพื่อที่จะได้อ่า เป็นผู้ที่ได้ปัญญาแล้วเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแบบที่พระพุทธองค์ได้พยายามตรัสสอนกับมาคันธยะจนทั้งมาคันธยะนี่หลุดพ้นเลยใช่ไหมคะใช่ต่อมาบวชหลีกออกเร้นอยู่ผู้เดียวบรร ล, ลุเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองไม่ได้เวลาไม่นานท่านไปบุญจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่คะเนี่วันที่11มีนาคมค่ะอ๋อกลับมาวันที่11เดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสได้รับฟังประสบการณ์ในการที่ได้นําสาธุชนไปยังสังเวชนียสถานทั้ง4ี่ ของพระพุทธองค์ น, นี้ก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านวิบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะท่านฟังที่ครบค่ะในเรื่องทั่วๆไปเรามีสื่อเยอะแยะมากมายละที่จะให้ความรู้แต่ในเรื่องที่พุ่งตรงไปถึงคําสอนของภาษาสดาแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของท่านได้เนี่ยเป็นภาระที่เราเต็มใจรับเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับรายการสรนสนีสนทนาเพราะมีความเชื่อว่าเวลาที่ผ่านไปผ่านไป ถ้าเราพลาดโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่เราถือว่าเป็นศาสดาของศาสนาที่เราจดทะเบียนเอาไว้นะคะหรือบางคนไม่ได้เป็นชาวพุทธหรอกแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นศาสนาที่มีผู้ที่นับถือมากที่สุดศาสนาหนึ่งนั่นเป็นเพราะคำสอนเป็นอมะตะคืออยู่ยั่งยืนยงไม่เคยตกลนล้าสมัยไปตามกาลเวลาเราจะ ขอเชิญท่านมาติดตามรับฟังรายการพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมกับเราได้ใหม่นะคะตั้งแต่เวลาตีห้าของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะพุทธวสวัสดีค่ะ